พระใต้ปิฎกเล่มที่1ิบสี่ชันโนวาทสูตรพระชนนะพระอรหันต์ผู้ปลิดชีพตนเองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลุวันเขตกรุงราชเครือสมัยนั้นแหลท่านพระสาวรีบุตรท่านพระมหาจุนทะและท่านพระชนนะอยู่ที่ภูเขาคิตสกูดท่านพระชนะอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก พระชั น, นะในสูตรนี้เป็นคนละรูปกับราชันนะที่นำม้ากันตกะทรงเสด็จเจ้าชายสิทธัตถะก่อนออกพนวดครั้นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรจึงชวนท่านพระมหาจุนทะไปเยี่ยมท่านพระชันนะแล้วถามถึงเรื่องอาการป่วยได้รับคําตอบว่าทุกเวทนากําเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยเหมือนมีคนใช้เหล็กแหลมคมทิ่มแทงสีสระใช้เชือกขันที่ศีสระ ใช้มีดกรีดท้องเหมือนโดนจับย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิงได้รับทรมานมากไม่ทุเลาลงเลยจนอยากฆ่าตัวตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าขอท่านอย่าฆ่าตัวตายเลยขอให้รักษาตัวต่อไปถ้าไม่มีโภชนะไม่มีเพศสัตว์ที่เป็นสัปปายะก็จะหามาให้ หรือถ้าไม่มีอุปถาก ค, คือผู้ดูแลที่เหมาะสมท่านพระสาริบุตรก็จะอุปถากเองท่านพระชันนะกล่าวว่าโภชนะเพสัตและอุปถากที่เหมาะสมนั้นท่านไม่มีแต่ท่านพระชันนะนั้นได้ปรนิบาตพระศาสดาด้วยความเต็มใจมาตลอดนี้เป็นการสมควรแก่สาวกถ้าจะฆ่าตัวตายจึงไม่ควรถูกติเตียน คำว่าไม่ควรติเตียนในที่นี้หมายถึงไม่เกิดอีกไม่ปฏิสนธิอีกคำว่าปรนนิบัติไม่ได้หมายถึงการอุปถากแต่คือการประพฤติธรรมตามคำสั่งสอนอย่างเคร่งครัดจนบรรลุธรรมจึงชื่อได้ว่าได้ปรนนิบัติประสาสดาอย่างแท้จริงจากนั้นท่านพระสารีบุตรจึงขอโอกาสถามปัญหาให้ตอบซึ่งท่านพระช น, นะก็ยินยอมดังนี้ ท่านพระสาวรีบุตรกล่าวว่าท่านฉันนะท่านพิจารณาเห็นจักขุคือตาจักขุวิญญาณและธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณพิจารณาเห็นโสตคือหูโสตวิญญาณและธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางโสตวิญญาณพิจารณาเห็นคานะคือจมูกคานะวิญญาณและธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางคานะวิญญาณ พิจารณาเห็นชิวหาคือลิ้นชิวหาวิญญาณและธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางชิวหาวิญญาณพิจารณาเห็นกายกายวิญญาณและธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางกายวิญญาณพิจารณาเห็นมโนคือใจมโนวิญญาณและธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณพิจารณาเห็นสิ่งเหล่านั้นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือเปล่า ท่านพระช น, นะตอบว่าพิจารณาเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราถามว่าพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรจึงเห็นว่านั่นไม่ใช่อัตตาของเราท่านพระชั น, นะตอบว่าพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจ รู้ความดับของอายตนะวิญญาณแต่ละประการนั้นและรู้ความดับธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางอายตนะแต่ละประการนั้นเมื่อท่านพระชนนะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาจุนทัได้กล่าวกับท่านพระชนนะดังนี้ว่าท่านช น, นะเพราะเหตุนี้แลแม้การเห็นนี้ก็เป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ท่านพึงใส่ใจให้ดีตลอดการเป็นนิดบุคคลผู้มีตัณหามานะและทิฐิอาศัยอยู่ย่อมมีความวันไหวบุคคลผู้ไม่มีตัณหามานะและทิฐิอาศัยอยู่ย่อมไม่มีความวันไหวเมื่อไม่มีความวันไหวก็มีความสงบคือสงบกายสงบจิตสงบกิเลสเมื่อมีความสงบ ก็ไม่มีความน้อมไปด้วยตัณหาและทิฏฐิเมื่อไม่มีความน้อมไปการมาคือการปฏิสนธิและการไปคือการจุดติก็ไม่มีเมื่อไม่มีการมาและการไปความตายและความเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่มีความตายและความเกิดโลกนี้โลกหน้าและระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีแก่บุคคลนั้น นี้แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ครั้นท่านพระสาวรีบุตรและท่านพระมหาจุนทะสอนท่านพระชันนะด้วยโอวาทนี้แล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจากไปเมื่อท่านพระสาวรีบุตรและท่านพระมหาจุนท่าจากไปไม่นานท่านพระชันนะก็ได้นําสตรามาปลิดชีพตนเองครั้งนั้นแหละท่านพระสาวรีบุตรเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาค กราบทูลถามเรื่องที่พระชันนะได้ใช้สัตราผลิตชีพตนเองนั้นมีคติมีอภิสัมปรายาพบเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาตรัสตอบว่าสาวรีบุตรช น, นะภิกษุได้บอกว่าจะไม่ถูกติเตียนไว้ต่อหน้าเธอแล้วมิใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีหมู่บ้านชาววัชีชื่อปุพพาชิระในหมู่บ้านนั้นตระกูลที่เป็นมิตร ตระกูลที่เป็นสหายเป็นตระกูลที่ท่านฉันนะเข้าไปอาศัยก็มีอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเราไม่กล่าวว่าฉั น, นะภิกษุมีตระกูลที่ตนพึงเข้าไปอาศัยด้วยเหตุเพียงเท่านี้เธอจงจำข้อความนี้ไว้อย่างนี้เถิดว่าเรากล่าวถึงภิกษุที่ลกกายนี้เข้าถือกายอื่นว่ามีตระกูลที่ตนพึงเข้าไปอาศัย ตระกูลนั้นไม่มีสำหรับช น, นะภิกษุข้อที่ช น, นะภิกษุนำสัตรามาปลิดชีพตนเองจึงไม่กวรถูกติดเตียนพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิตนี้แล้วท่านพระสารีบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบฉันโนวาทสูตรหมายเหตุผู้อ่าน สำหรับผู้สนใจควรศึกษาเพิ่มเติมนะครับพระสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัส ร, รับรองการบรรลุอรหันต์ของท่านราชนะเพราะลักกายนี้แล้วไม่มีกายอื่นปรากฏให้เข้าถือคือไม่มีการเกิดใหม่อีกท่านเป็นผู้เข้าใจธรรมเห็นไตรลักษณ์ดังที่ปรากฏในคําตอบแล้วซึ่งเป็นจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นและการป่วยนั้นรุนแรงมากอาจทำลายสติได้ ท่านจึงตัดสินใจปลิดชีพตนเองด้วยจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายนี้นะครับเห็นชัดว่าความทรมานทางกายจะส่งผลเสียได้มากกว่าและขณะปลงชีวิตจิตที่ไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงไม่อะไรในร่างกายนี้ในโลกนี้จิตจึงเข้าสู่ภาวะการสำเร็จอรหัตผลได้โดยสมบูรณ์ในขณะวินาทีก่อนสิ้นใจนั่นเอง เรื่องนี้ต้องพิจารณาให้มากและอยากแนะนำให้ศึกษาจากอธัธกถาเพิ่มเติมนะครับไม่อย่างนั้นคนรุ่นหลังจะเอาไปอ้างเพื่อฆ่าตัวตายกันได้สำหรับคนที่คิดจะเรียนแบบฆ่าตัวตายก็ต้องสำเนียกตนด้วยนะครับว่าตนเองนั้นมีการเข้าถึงธรรมอย่างท่านพระชนะหรือเปล่าอย่างเห็นกายใจนี้เป็นเราเป็นของเราอยู่หรือเปล่าถ้าฆ่าตัวตายเพราะเห็นว่าทุกนี้เป็นของเรา เรากาลังทรมานเราอยากพ้นความทรมานนี้ฆ่าตัวตายด้วยจิตแบบนี้ไปนรกอย่างเดียวนะครับนรกขั้นแรกก็คือหลังฆ่าตัวตายหากอายุขยยังไม่สิ้นก็ต้องอยู่เป็นผีเร่ร่อนในพบที่ไม่ต่างจากฟันร้ายตลอดเวลารอจิตที่ทุกข์สาหัสก่อนตายพอกลายเป็นผีก็จะรู้สึกตัวเองเหมือนเดิมทุกอย่างแต่จะทรมานหนักกว่าเดิม เพราะไม่มีอะไรมากระตุ้นให้จิตเปลี่ยนอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธน้อยใจอาฆาตจิตก็จะจมอยู่แบบนั้นแม้เวลาผ่านไปแค่นาทีเดียวก็เหมือนกับต้องทรมานเป็นปีเมื่ อ, อยังไปไหนไม่ได้แล้วจิตทรมานมากก็เลยต้องพยายามฆ่าตัวตายอีกครั้งเพราะเชื่อว่าฆ่าตัวตายแล้วความทุกข์จะต้องหายร่างกายนี้จะต้องหายไปนี่จึงทาให้ส่วนมาก คนที่ฆ่าตัวตายจะกลายเป็นผีและจะต้องวนกลับไปฆ่าตัวตายซ้ำๆด้วยความไม่เข้าใจว่าทำไมความทุกข์ไม่หายร่างกายไม่หายไปอยากจะหายจากความทุกข์นั้นๆวนไปวนมาถ้าเคยกระโดดตึกก็จะขึ้นวนกลับไปกระโดดลงมาใหม่เหมือนอาการของคนสติไม่ดีหรือเป็นบ้านะครับและกว่าจะ้นกรรมก็ต้องทุกขสาหัสอย่างประมาณไม่ได้ หากเข้าใจเรื่องพวกนี้ไว้นะครับจะไม่มีใครกล้าฆ่าตัวตายเลยแม้ทุกข์แค่ไหนก็ตามแต่พราะเราไม่เคยสอนกันเลยและพอใครสอนก็จะต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทั้งที่มันเป็นความรู้ทางพระพุทธศาสนามันก็น่าแปลกนะครับเราพยายามจะให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติเรานําเข้าไปสอนในโรงเรียนแต่เราตัดสิ่งที่เป็นความจริง ที่จะทำให้คนเข้าใจโลกได้จริงและส่งผลดีกับชีวิตมากมายแล้วอ้างว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลพอไม่สอนก็ไม่เข้าใจพวกหนึ่งก็ปฏิเสธสุดโตรงไปเลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีส่วนอีกพวกก็งมงายวายได้กระทั่งปลวกสัตว์พิการผีขี้เมาที่ตายข้างทางส่วนใหญ่อ้างแต่ว่าพิสูจน์ไม่ได้ แต่มีเจ้ารึกในพระไตรปิฎกเต็มไปหมดในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ที่บอกกันเนี่ยนะครับมันจะพิสูจน์ได้ยังไงในเมื่อพระไตรปิฎกเนี่ยคนออกหลักสูตรเกี่ยวกับศาสนาไม่ทราบว่าท่านอ่านจบหรือยังเข้าใจตรงหรือยังปฏิบัติสมาธิเจริญสติถึงจุดหรือยังและสามารถปฏิบัติได้ตามคาสอนพระพุทธเจ้าจนได้ฌานสมาบัติขั้นสูงหรือยัง ถ้าทำได้แล้วก็คงไม่ต้องมาบอกหรอกนะครับว่ามันพิสูจน์ไม่ได้โลกนี้ความจริงก็แลดูไร้สาระนะครับคนมีอำนาจก็ไม่ต่างกับคนตาบอดที่บอกว่าสีขาวไม่มีจริงเพราะฉันไม่เคยเห็นมันไม่มีทางมีจริงเราก็สั่งสอนลูกหลานต่อมาว่าพวกเนี้ยไม่มีจริงเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ความจริงควรจะนําไปสอนและบอกให้ถูกทำหลักสูตรให้ถูกต้องและให้ยึดถือหลักนี้เท่านั้นว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้แบบนี้จะมีจริงไม่มีจริงก็ต้องปฏิบัติศึกษาให้ถึงจุดกันเองด้วยนะครับแทนที่จะบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลน่าจะบอกว่าเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ควรศึกษาปฏิบัติให้เข้าถึงด้วยตนเองด้วยนะครับ มีคนบางกลุ่มแย้งนะครับว่าพราะสอนเรื่องภพภูมิทําให้เกิดสงครามศาสนาขึ้นอันนั้นมันเข้าใจแบบโง่โงนะครับคือไม่ได้เข้าใจความจริงของภพภูมิไม่ได้เข้าใจความเป็นมาเป็นไปอย่างแท้จริงก็เลยยึดมั่นถือมั่นแบบผิดผิดอยากแนะนํานะครับใครที่สนใจเรื่องภพภูมิลองไปฟังเรื่องแววเสียงสวรรค์ที่เขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกนะครับ ท่านเอาเรื่องโลกหลังความตายมาเกียนอธิบายตามหลักพระพุทธศาสนาและที่ผ่านมาก็พิสูจน์มาแล้วว่าทำให้หลายคนเข้าใจชีวิตมากขึ้นคนเราเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องภพภูมิแบบถูกต้องจะทำความดีได้โดยแบบไม่ต้องมีใครบังคับนะครับเพราะว่าเห็นตามจริงว่ากฎแห่งกรรมคืออะไรทำดีแล้วต้องไปเสวยบุญทาชั่วแต่ละอย่างแม้แต่แค่คิดในใจ จะต้องไปเสวยผลของมันเผ็ดร้อนแค่ไหนจะทำดีโดยที่ไม่ต้องมีใครบังคับไม่ต้องกล่าวถึงการมีสงครามศาสนาหรือเอาเรื่องภพภูมิไปฆ่ากันนั่นมันเรื่องของคนโง่ที่เข้าใจแบบโง่โงแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ามีคนที่คิดว่าตนเองฉลาดอย่างเข้าใจว่าการสอนเรื่องภพภูมิเป็นสิ่งที่ไร้สาระและจะนามาซึ่งความเสียหาย ในส่วนเรื่องของพบภูมินี่พระไตยปิฎกก็สอนไว้ชัดในหลายพระสูตรนะครับว่ามิจฉาทิฐิคือการไม่เชื่อว่าอบปฏิกักมีจริงโลกหน้ามีจริงแต่มันก็แปลกนะครับที่พระไตยปิฎกสอนไว้ชัดแต่หลายคนก็พยายามจะไม่เชื่อและไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง